เน่คุณสาธิตคุณทำงานของคุณยังไงทำไมถึงออกมันแบบนี้ผมทำอะไรผิดหรอครับผมก็ดูนี่สิคุณรู้ตัวไหมว่าคุณคนสองหน้าไม่ต้องตกใจไปหรอกครับก็เพราะคุณเลือกใช้ Idea Work ที่ทั้งขาวสว่างเรียกเนียนรองรับหมึกพิมพ์ยิ่งขึ้นช่วยให้คุณภาพงานของคุณคมชัดทั้งสองหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษ Idea Work